เพราะความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทท้าหลาแต่หลงปโปิยานได้แวะมาพูดเรื่องไม่ยกย่องก็อย่าเหยียบย่ำที่สืดเนื่องมาจากงานของสพสคือสนังานปฏิรูปการศึกษาที่ได้ทำร่างพระราชบัญญัติขึ้นมา แล้วก็กลายเป็นการเหยียบย่ำพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะยิ่งยิ่งก็คือโครงสร้างในมาจาสิบเจ็ดซึ่งได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งแล้วในวันก่อนโะเห็น ว, ว่าในคณะกรรมการสามสิบเก้าคนนั้นในตอนแรกเนี่ยขอระ บ, บุอานาจหน้าที่ไว้หรือในการต่อมาเมื่อมีการทุ่มติง ก็ก็ตัดออกไปสองสามประกาศแต่ในขณะเดียวกันที่ตัดออกนะก็มันสร้างประโยคใหม่ขึ้นมาแทนแล้วก็ทำให้กรอบแผงอำนาจในการที่จะควบคุมตรวจสอบติดตามประเมินผลตลอดขึ้นกำกับนะครับคือในที่บางแห่งยังใช้กำว่ากำกับอยู่เลยโดยเ้ายกคำว่า มีอำนาจในการออกระเบียบหลักเกณฑ์และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ น, นี้ก็ดูแล้วคล้ายๆกับว่าได้ผ่อนคลายการควบคุมการบังคับบัญชาแล้วก็สร้างประโยชน์ขึ้นมาใหม่ว่าคือตัดตรงนี้ออกนะฮะแลสร้างประโยชน์ขึ้นมาใหม่ว่ารวมทั้งการแต่งตั้งคณะ อนุกรรมาการหรือคณะทํารรงานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรมมอบหมายโรยเห็นว่าเมื่อมอบหมายนี่ไม่นจะออกมาเป็นคาํคสาสั่งคําสั่งก็จะให้อํานาจหน้าที่ตามที่พวกเขาต้องการนะดําเนินงานในด้านของการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการด้านศาสนา ศิลปะละรวัตนธรรมซึ่งประเด็นหลักว่าตรงนี้มันมีเฉพาะของพุทธและมีความจะเป็นอะไรจึงเอาศาสนกในศาสนาอื่นมาเป็นกรรมการโดยงานของเขาคือส่วนที่เป็นการศึกษานั้นก็อยู่ในฝ่ายการาศึกษาไปนะครับตรงงานของเขาในด้านศาสนากับศิละปะและวัฒนธรรมนี่ ในด้านศาสนาไม่ได้ถูกควบคุมด้วยพระราชบัญญัติข้อนี้มาตราหนี่แล้วก็วมนไปมาตราอื่นด้วยนะครจะมีก็เฉพาะส่งเสริมสนับสนุนแต่ว่าเราต้อมหมดแน่นอนมีการส่งเสริมด้วยมีการสนับสนุนด้วยแต่ว่ามีการติดตามมีการตรวจสอบแล้วก็มีการประเมินผล รวมทั้งยังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อทํางานและปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการการศาสนาแล้วก็ตันทำมอบหมายซึ่งเป็นเรื่องที่ยากจะยังรู้ว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างเพราะมันเป็นการก้าวลุ้นขึ้นมามากเกินเดตุเกินผลกับการแรกก็คือว่าประวัติศาสตร์ชนชาติไทยนี้ สถาบันบริหารประเทศเนี่ยไม่เคยเข้ามาปกครองคือไม่เคยเข้ามาบริหารมีธนูบ ร, รบุงอุปธรรมอย่างที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกส่งทรตั้งเป็นปณิธานเอาไว้ว่าตั้งใจอุปธรรมพบยอยกพระพุทธศาสนาคือก็ทาหน้าที่เป็นอุปธรรมภบ แม้แต่รัฐธรมนูญเองเนี่ก็ให้อำนาจสถาบันประมากาษัตริย์ไว้ว่าทรงเป็นพุทธมารมากและทรงเป็นองค์เอก อ, อักษราศาสนุบธรรมทีนี้พอมาเราเชื่อมตรงนี้เราจะชัดเจนนะว่าอำนาจการบริหารของรัฐเนี่ยมันเป็นการใช้อำนาจในพระปรมาภิไัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งก็หมายความว่าโดยโบราณประเพณีตั้งแต่สุขโขทัยเป็นต้นมาสถาบันระบมหากษัตริย์ไม่เคยบริหารพระพุทธศาสนาแต่ว่าพอเปลี่ยนแปลงการปกรครองโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญนปัจจุบันพูดในไปพูดไปในํำนองว่ามีการกระจายอำนาจออกไปสู่จนถึงอบตเนะ แต่ก็กลับเอาคนในศาสนาอื่นมาร่วมเป็นกรรมกา ร, ร, รทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลการดำเนินการด้านศาสนาคาเหล่านี้เราจะเห็นว่าแต่ละคำนั้นกรอบมันไม่ใช่ธรรมดาสามัญมันเริ่มมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่ ที่จะนานโยบายแล้วก็แผนพัฒนาข้อนี้มันเป็นความสับสนที่น่าห่วงใหญ่เราจะต้องมองนะครว่าโครงสร้างของกระทรวงใหม่เนี่ยมันมีการพูดถึงภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการกับทบวงมาตราไรแห่งรัฐเพราะในส่วนของทบวงกระทรวงของมาตราไรแห่งรัฐ มันก็ไปรวมกันที่สภาการศาึกษาจผ่านการศึกษาการศาสน า, า, าแล้วก็วัฒนธรรมแล้วตลอดถึงคณะกรรมการอุดมศึกษาทีนี้ในงานของด้านศาสนาเนี่ยในคณะกรรมการชุดเนี่ยมันก็เอาศิลปะกับวัฒนธรรมเข้ามา แต่ตัวเดิมเนี่ยไม่มีคำว่าศิลปะอยู่ก็วัฒนธรรมเข้ามาเอาศิลปะใส่เข้ามาด้วยในภาคของการบริหารนะครับที่เราจะต้องมองว่าศิลปะในประเทศไทยมันเป็นศิลปะพุทธวัฒนธรรมไทยก็เป็นวัฒนธรรมของ พ, พุทธเพราะเดินโดยเนื้อ ง, งานและจึงไม่มีเนื้อ ง, งานของาศาสนาอื่น ปีในส่วนศิลปะแน่นอนเขาก็ต้องมีวัฒนธรรมเขาก็ต้องมีแต่ว่าต้อ ง, ต, องต่างคนต่างอยู่บางใครใครอยู่อใครเพนนอนในฐานะความเป็นชาติเราเป็นชาติเดียวกันความเป็นประสบนิกรเราเป็นประสบเดียวกั น, น, ก น, วกนความเป็นประเทศเราก็อยู่ในประเทศเดียวกันแล้วก็ความเป็น นักเรียนนะักศึกษาเราก็ศึกษาเรียนหลักสูตรเดียวกันแต่ว่าในฐานะของศาสนิกในศาสนาเนี่ยมันต่างคนต่างศาสนากันศาสนาจึงร่วมแรนร่วมใจกันได้แต่ว่ารวมนี่ล้อมรวมอย่างที่คิดจึงจะล้อมรวมเนื้าหลักสูตรเนี่ยโดยเฉพาะครัสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทาไม่ได้อยู่โดยธรรมชาติ พถ้าคืนใครไปทำก็ถือว่าเป็นการทงลายศาสนาหมดถุกศาสนาแล้วก็มาเหลือแต่เขาเรียกเขาใช้เขาชอบใช้คำนะฮะพวกนี้ก็ชอบใช้คำอยู่สามคำแปลว่าศีลธรรมคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมก็ใช้อยู่บ่อยมันเป็นภาษาที่ได้มาจากต่างประเทศ คือจริยธรรมที่จริงมันก็คือจริยศาสตร์คือเอติกในประจาในพุทธศาสนาไม่มีคําว่าจริยธรรมไม่มีคําว่าจริยศึกษาแต่พุทธศาสนาจะใช้คําว่าธรรมจริยาสมาจริยาและคําว่าจริยธรรมนั้นถ้าเราแปลโดยรู้สั์เนี่ยแปลว่าธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติในลักษณะเป็นการเสนอแน่ไม่ใช่มีลักษณะเป็นการบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหว ซึ่ง ร, รมจริยาแปลว่าการประพฤติ่งธรรมหมายความว่าในขณะนั้นเขามีคันติมีเมตตามีกรุณามีความเพียรมีสติมีสมัมจริย์อยู่แล้วสะท้อนให้เห็นถึงอากา ร, กรเขาทำบ้านเ่านั้นเราก็เรียกเขาว่าธรรมจริยาหรือบางทีก็เน้นคำว่าสมจริยาแต่สมาจริยาเนี่ยเราไม่เคยใช้เราใช้คำว่าประพฤติสุจริตแปลเป็นประพฤติสุจริตคือแปลออกมาสม สามารถที่มันแปลยากกันนะฮะแปลแล้วมันสื่อสารโดยภาษาชาวบ้านโดยทั่วไปมันสื่อสารยากท่านท่านยิงใช้คําว่าสมาร์จริยาแปลว่าประพฤติธรรมประพฤติสจริตเอ่อซึ่งประพฤติสุจริตก็คือเจริญในกุศลก บ, บ ท, ทั้งสิบประการถ้าถามมาโดยเนื้อหาสาระเนี่ยมันคลุมคําว่าศีลธรรมคําว่าคุณธรรมและจริยธรรมไว้ได้หรือไม่ ก็ตอบมได้แต่มันมีปัญหาว่าธรรมะนั้นต้องมีผูส้สอนหรือแม้ควาว่าศีลธรรมจะเรียต่คาคำว่าศีลธรรมกุณธรรมจะเรียธรรมเนี่ยเป็นธรรมะในศาสนาไหนละ่ะเพราะว่าพอถึงหลักธรรมแต่ละข้อเนี่ยสมมติเราพูดถึงความรักให้าศาสนาแต่ละาศาสนาช่วยเขียนอธิบายคำว่าออความรักมา บางกรณีจะไม่เหมือนกันจะไม่ตรงกันแล้วกรอบเนี่ยจะกว้างแคบไม่เหมือนกันเอาพูดใหม่พูดเรื่องเมตตาก็จะอธิบายไม่ตรงกันก็อะไรเราะว่าคําเหล่านี้มันเป็นคําในศาสนาพุทธแล้วเราก็ใช้ในภาษาไทยศา ส, สนกในศาสนาอื่นท่านก็เป็นคนไทยนะท่านก็มีสิทธิ์นําไปใช้แต่ว่าใช้ในความหมายต้องทัน ดังนั้นถ้าขนิยามขึ้นมามันไม่ตรงกันนั่นคือประเด็นที่ควรสังเกตเอาไว้ว่าโดยพื้นฐานการเรียนรู้การศึกษาการปฏิบัติมาเนี่ยจกความต่างมาตั้งแต่ตัวศาสดาตัวส า, ารานธรรมการจัดองค์กรสถานภาพของท่านเหล่านั้นลองสังเกตนะว่าแม้จะเป็นนักบวชอย่างโรมาคาทอลิกเนี่ยเาก็มีนักบวช เขาเองก็มีความเป็นนักบวชเนี่ยจะไม่เหมือนกันศาสนาอิสลามเขาไม่มีนักบวชแต่เขามีเขาเรียกว่าผู้นำทางศาสนาอาจจะเรียกว่าโตฮันยีโตอิมามอะไรบาบิลนันก็เยอะนะเราเรียกเยอะแล้วก็ศาสนาซิกเนี่ยก็มีนักบวชอัดูเนี่ยก็มีนักบวชเพราะในการการการจะไปเอา คำสอนมาหลอมรวมกันคือนอกจากกว่าดูหมินาศาสดาแต่ละาศาสนาแล้วยังดูหมินพระคำภีของแต่ละาศาสนาด้วยแล้วก็ในที่สุดเนี่ยคือคนก็จะไม่ยอมรับอย่างประเด็นที่เราจะต้องมองว่าคำสอนนี่แปลว่าใครสอนละ่ะตัวคนสอนนี่จะมีความสำคัญนะคำสอนมันจะรองลงมานะฮะเราต้องเข้าใจแหละ ว่าถ้าเราต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมในรูประดับคําสอนนะไม่ใช่คาสั่งคําสั่งที่ีท่จริงบางเรื่องมันก็อยู่ที่ใครสั่งไอ้ตัวคําสั่งมันจะมีน้ําหนักรองมาจากคนสั่งเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีอานาจในการสั่งหรือไม่ อ, อะไรแต่ใดมันมีองค์ประกอบเยอะเลยดังนั้นในบ้านเราในปัจจุบันถ้าเราลองสังเกตว่าสื่อสารมวลชน จะมีการกล่าวอ้างพระพุทธภาสิจะมีการกล่าวอ้างพระบรมราชวาัตรถามมาทำไมเพราะใครคนนั้นอ่ะใครคือพระพุทธเจ้าใครคือในหลวงเนี่ยคนเคารพคนศรัทธาคนเทิดทูนคนสักการบูชาคนรับสั่งอะไรมามันมีพลังของศรัทธาอยู่ก่อนมีพลังของความจงรับปักดีมีพลังของความเทิดทูน อยู่ก่อนมันก็พร้อมไปยนอมรับไป ป, ปฏิบัติเห็นไหมว่าคนสามารถดำเนินโครงการอะไรแต่ไได้เยอะใหญ่ได้บัานาว่าคุณเป็นใครอ่ะเพราะบาทหลวเด็จระเจ้าอยู่หัวไม่ได้มีอำนาจสั่งการราชการรัสงอยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนืออยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ว่าโครงการในพระ ร, ราชดำริทุกโครงการนั้นจะมีคนนำไปเสนอ เพราะเพราะความจงรักภักดีต่อสถาบันประมากษัตร์ดังการความคิดของสองปสเนี่ยสป ก, อ, กอะไรก็ตามเนี่ยคณะกรรมาการการศาสนาและ ว, วัฒนธรรมโดยเฉพาะตัวเลขขาทธิการสาภาการศานะที่สัมภาษณ์ว่าจะหลอมรวมหลักสูตรศาสนาทุกศาสนา มันก็สร้างปัญหาสัมพโนขึ้นมาในวงการพระพุธศาสนาเพราะอะไรเพราะศาสนานั้นจะไม่มีใครรู้จักเนื่องจากคําสอนเหล่านั้นไม่มีตัวตนของผู้สอนศาสนาธรรมในพระคัมภีทั้งหลายทุกคัมภีร์เนี่ฮะจะถูกทํำลายไปโดยธรรมชาติองค์กรสงฆ์ก็ไม่มีโบทบาทนักบวชในศาสนาอื่นก็เหมือนกันนะมันจะไม่มีโบทบาท แลว้ววันสุดท้ายเนี่ยความคิดที่จะแก้ปัญหาจะพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมจะพัฒนาเก่งดีมีความสุขมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยคือคนเราเนี่ประเมินตัวเองสูงไปนึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถสอนให้คนจะเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมได้ไม่มีทางนะะเราอย่าลืมว่าคนที่สอนแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาได้เนี่ยต้องมีฐานของความศรัทธามีความเคารพ มีความพักดีถ้าไม่งั้นปวดกันสอนให้รู้รายังไงก็ตาม อ, าอ่านเป็นนิยายประโลมโลกแต่นั้นเองหรือบางครั้งก็ชื่นชมในวารถวหารแด้วก็ผ่านไปแล้วถ้าจะให้คนเอามาก่าวขวันถึงนี่มันต้องผ่านเวลาเป็นร้อยปีเป็นอย่างน้อยนะฮอย่างเช่นคำกรสุนทรผู่ที่เนี่ยนำ ม, มาก่าอ้างนในปัจจุบันนะสุนทรูตายไปรกว่าปีแล้ว แล้วว่าฐานะคนยังนํามาเป็นหลักในการปฏิบัติไหมก็ไม่นะเพราะไม่ได้นับถือในฐานะที่เป็นศาสดาแต่นับถือในฐานะเป็นครูสอนตลาดเท่านั้นเองก็นํามากล่าวอ้างประกอบการบรรยายการพูดอะไรก็ตามแต่คนฟังก็ฟังแล้วก็ชื่นชมในฐานะเป็นคําคมไม่ได้ชื่นชมในฐานะของศาสนาธรรมเพราะเราจะลองดูศาสนาทั้งหลายเนี่ย องค์ประกอบของความเป็นศาสนาเนี่ยมันจะมีาศาสด า, สาศาลเานั้นจะมีที่มาที่โดดเด่นเป็นพิเศษซึ่งเมื่อกล่าวโดยสุบแล้วก็คือว่าเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าในรูปต่างๆก็แล้วแต่ความเชื่อในาศาสนาเหล่านั้นอาจจะเป็นทูตอาจจะเป็นพระบุตรหรืออาจจะเป็นหน่วยย่อย ที่แบ่งมาจากพระผู้เป็นเจ้าเหรอกนั้นและวคำสอนนั้นจะไปเชื่อมโยงกับพระผู้เป็นเจ้าหรือของศาสนาพุทธก็ไปเชื่อมโยงกับพระพุทธ เ, เจ้าพุทธเจ้ามีที่มาที่ยิ่งใหญ่แล้วถ้าเราดูการเผยแผ่ศา ส, สนาในทวีปยุโรปอเมริกานะครับเราจะเห็นว่ามีความชัดเจน ว่าคนต้องรู้จักพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นใครมีความเป็นมาอย่างไงสร้างจุดประทับใจให้แก่เขาอย่างไงหรือไม่นะฮะถ้าไม่งั้นเขาไม่ศึกษาพระธรรมหรอกการจะตามไปศึกษาพระธรรมต้องรู้จักว่าใครเสก่อนแล้วคนนั้นแ่ะคนคนนั้น่ะกล่าวว่าอย่างไงรแล้วหนังสือที่เผยแพร่อยู่ในทวีปยุโรปอเมริกาหลายปีมาเนี้นะครก็คืออะไร คือดราเบเซียประเีแผงทวีเอเซียของเซอร์ฟินอันนวเป็นการพูดเรื่องพุทธประวัติไปเราะยิ่งใหญ่ส ง, ง่างามยิ่งนะฮะประวัติพระพุทธเจา้าเ่ยคนก็ตื่นเต้นคนก็อ่านกันแพร่หลายในวพิมพ์กันไม่รู้สักกี่ร้อยล้านเล่มนะเรื่องการต่อมามันก็มีพรพุทธธรรหักสั้นๆคือในธรรมบท ไอ้ น, นี่ก็พิมพ์หลายสำนวนพิมพ์กันมากแล้วก็หลายภาษาเหลือเกินแล้วในการต่อมาคนที่ต้องต้อ ง, องการศึกษาลึกซึ้งก็ไปกว่านั้นก็ไปศึกษาวิสุทธิมรรคแล้วห น, นังสือใหญ่ที่เผยแพร่อยู่ในยุโรปอเมริกามันก็อสามเล่มคนก็ไปประทับใจในประเทศแ่งทวีปเอเชียมันเป็นการแสดงถึงความเป็นมาของพระพุทธเจ้า นี่คือหลักการที่ต้องสนักเอาไว้บนความคิดของท่านเหล่านี้เป็นนักวิชาการทางศาสนาแล้วถ้าเราดูกระบวนการของความคิดนะมันเป็นความคิดในกรอบของการปฏิรูปการศึกษาแล้วก็ตั้งแต่ ร, รัฐมนูญเป็นต้นมานะตั้งแต่มาซาแปดสิบเอ็ดเป็นต้นมาเนี่ยเมื่อเป็นการพูดเร่งปฏิรูปการาศาึกษา แล้วเขาก็ไม่เข้าใจนะะว่าการศึกษากับาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมนั้นต้อคนละคนละกรณีกันาศาสนานั้นคือการศึกษาเรียนรู้ที่ต้องร่วมสมัยแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการต่างๆนี่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเนื้อ ว, ว, วิชาหลักเช่นเื้อาทางวิทยาศาสตร์ก็ดีสังคมศาสตร์ก็ดีเราลองสังเกตว่าก็เปลี่ยนแปลงตลอดข้อมูลนะีต่ต่างๆเนี่ย ถูกคัดค้านถูกหักล้างถูกคนพบใหม่เพราะการศึกษาก็ต้องทันกันตลอดแต่วิาจารณ์ศาสนามันไม่ใช่ศาสนาที่สมบูรณ์แล้วนะฮะมันไม่มีข้อมูลใหม่หรอกแล้วจะอยู่ไี ก, กี่ปีก็ตามกับศาสนาก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันเข้าถึงความสมบูรณ์แล้วโดยเฉพาะพุทศาสนานั้นรู้จ้าทั้งศสรรูความรู้ที่เหนือจากการศึกษามันไม่มี ในความรู้ของไข่ก็ตามที่มันขัดแย้งกับสิ่งที่ศัสรูมันก็ผิดคือสแสดงคุณมรู้ไม่ตลอดคุณมองเพียงสั้นๆถึงช่วงสั้นๆต่นเด็แล้วก็ศิละปะนั้นก็เหมือนกันศินละปะนั้นแน่นอนส่วนหนึ่งเป็นยุคสมัยแต่ส่วนที่มีอยู่แล้วเนี่ยต้องอนุรักษ์นะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการสืบสานเป็นกระแสของศิละปะ แต่ฐานก็สร้างใหม่ได้ไหมก็สร้างใหม่ก็เป็นยุคหรือแม่พระพุทธรูปก็มียุคต่างๆก็ไม่ได้แตกอะไรแต่คุณปฏิรูปไม่ได้ของเก่าในคุณนํำมาไปฏิรูปใหม่ไม่ได้ของเก่ามีหน้าที่สืบสารมีหน้าที่อนุรักษ์เท่านั้นเองแต่ของใหม่คุณสร้างได้นะแต่ก็ไม่ใช่ปฏิรูปก็คือสร้างเลยทีนี้สร้างนั้นก็คงแน่นอนแหละมันก็ต้องเชื่อมโยงกับของเกา่า เมือนการสร้างพระพุทธรูปแบบวัตกรรมกายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็อยู่ในหมู่คนธรรมกายคือคนหนึ่งก็เห็นเนี่ยไม่รู้สึกอยากจะว่าอ่าไม่รู้ประรู้มันนึกไม่ออกคือความรู้สึกไม่สนิทใจไม่คุ้นเคยนะแม้เราไปเห็นพระพุทธรูปในที่อื่นเนี่ยเรารู้สึกนะเรารู้สึกว่าพระเจ้าผมอยู่่อนแต่พอเห็นรูป องธรรมกายในเราไม่เห็นว่าท่านห่มจีวรมันนึกถึงนิครณ น, นาตบุตรทุกทีเราไปเห็นเพราะนิครณ น, นาตบุตรเนี่ยรูปเขคล้ายกับพระพุทธรูปมากต่างกันเฉพาะว่าไม่นุ่งผ้าเท่านั้นเองนั่นก็คือเพราะวมันนึกจินตนาการไม่ออกนั่นศาสนาจะต้องมีศาสดาที่มีความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ออกมาในรูปของคําสอน และในขณะเดียวกันพระสงฆ์ก็กลายเป็นแบบอย่างว่าพระสงฆ์ก็คือรูกสถาบลูกตาสีตาสายามายันมีนี่แหละแต่เอามาฝึกปตืออบรมบ่มเพาะอบรมอบรมกันก็ว่ากันไปก็ไม่ได้ว่ากันแลยถึงจุดหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงได้เ ป, เปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมได้แล้วก็กลายเป็นแบบเพราะสถาบันสงฆ์ถ้าเราดูให้ดีเนี่ย เป็นสาสตร์ถาบันที่สามารถปั้นดินเป็นดาวได้แต่แน่นอนว่ามันก็เป็นการใกล้ๆกับร่อนสายหาทองแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือวัดใหญ่ใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยประวัติความเป็นมาไปดูแตกษัตริย์สร้างเศ ร, รษฐีรรษสร้างหมาหมารสร้างแต่สมภารเป็นใครสมพันลูกชาวนาลูกสษิตศ า, ายามายมีเนี่ย เห็นไม่สามารถรักษางานพัฒนางานอนุรักษ์งานางต่างๆซึ่งคนระดับสูงอิสระชนในสังคมไม้สร้างขึ้นมาได้จะทําให้เด็กมันเกิดประทับใจเกิดความทราบซึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นแล้วก็มองเชื่อมไปที่ธรรมะมองเชื่อมไปที่พระพุทธเจ้าก็เกิดสถ า, านเลื่อนใสไปรูปกระบวนการ เห็นหมว่ามีมีาศาสดามีาศาสนธรรมมีมาศาสนิกแล้วเขาก็ต้องการจะเป็นหนึ่งในาศาสนิกจิตก็มีความ ผ, ผูกพันอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์วันี้จะไปทั้งแผงแล้วก็สาเศาสนสถานสานพิธีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยจิตที่เข้าถึงาศาสนธรรมปัญหาเรื่องนี้เป็นปนัญหาที่เรียกว่า เขาอาจจะฉลาดแต่ว่าขาดความเฉียดเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกันพอสมควรต้องฝั่งทั้งหลายแต่โลวงพระพุทธญาณในวันนี้พอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองนำไปบุญในธรรมจงมีแดะท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี